พระอนุบัญญัติ1 7ภิกษุตต้องอบัตติปาจิตตีเพราะฉันคนาโภชานนอกสมัยสมัยในข้อนั้นคือสมัยที่เป็นไข้สมัยที่ถวายจีวรสมัยที่ทำจีวรสมัยที่เดินทางไกลสมัยที่โดยสารเรือมหาสมัยสมัยที่เป็นพัตาหารของสมณะนี้เป็นสมัยในข้อนั้น